ชีวิตควรให้เป็นอย่างไรพุทธธรรมจะบับรับขยายบทที่6กวิชาวิมุตติวิสุทธิสันตินิพพานประโยชน์สูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้จากชีวิตนี้ความสุขที่ไม่ต้องหาเมื่อมองกว้า ง, างมนุษย์ยอมรับความจริงว่าพวกตนผจญปัญหาทั้งในระดับสังคม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 และทุกนั้นยังอาจส่งผลเกี่ยวข้องถึงความดีความชั่วและสุขทุกต่อไปอีกหลายชั้นด้วยที่พูดมานี้ยังอ้อมค้อมนิดหน่อยถ้าจะให้ชัดก็พูดตรงไปที่ความจริงขั้นพื้นฐานกันเลยคือเป็นหลักความจริงง่ายๆว่าทุกเป็นสภาวะด้านหนึ่งของชีวิตหรือว่าชีวิตนี้มีทุกเป็นสภาวะด้านหนึ่งของมันหมายความว่า เป็นธรรมดาตามธรรมชาติของชีวิตนั่นเองที่เป็นสังขารซึ่งเกิดมีเป็นไปโดยขึ้นต่อเหตุปัจจัยหลากหลายไม่เที่ยงไม่คงที่ไม่คงทนแปรปรวนเรื่อยไปไม่มีไม่เป็นตัวตนของมันอย่างแท้จริงเช่จนจะให้คงอยู่หรือเป็นไปอย่างที่ใจปรารถนาไม่ได้ต้องว่ากันไปตามเหตุปัจจัยผู้สั้นๆนี้ก็คือมันเป็นทุกข์ เมื่อประมวลให้เห็นง่ายทุกที่เป็นพื้นฐานตามสภาวะของชีวิตก็พูดรวบรัดด้วยคําว่าชรามรณะหรือแก่และตายหรือเสื่อมโทมและแตกสลายแล้วจากทุก์ตามสภาวะนี้ก็ตามมาด้วยทุกข์ที่เป็นความรู้สึกต่างๆเช่นความโศกเศร้าความขับแคนความเสียใจความพิไรยรำพันในเมื่อตามสภาวะ ชีวิตมีทุกข์เป็นธรรมชาติพื้นฐานของมันอยู่แล้วการที่จะแก้ปัญหาดับสลายคลายทุกข์และการที่จะมีความสุขได้คนก็ต้องมีจิตใจที่มั่นคงในการอยู่กับความจริงเริ่มต้นด้วยจัดการให้ชีวิตของตนลงตัวกันได้กับความทุกข์พื้นฐานนั้นโดยมีปัญญาที่ทำให้จิตเป็นอิสระจากทุกข์พื้นฐานนั้นหรือให้ใจยอยู่กับมันได้สบายๆอย่างใดอย่างหนึ่ง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 สำหรับมนุษย์ที่ปิดกลบทุกซ่อนปมปัญหาไว้ข้างในตัวเองนี้เริ่มแรกการหาความสุขก็สแสดงอยู่ในตัวถึงความขาดแคลนบกพร่องความบีบคั้นกระวนกระวายหรือภาวะไร้ความสุขอยู่ภายในซึ่งเรียกสั้นๆว่ามีทุกข์จากนั้นจึงผลักดันให้ต้องออกสแสวงหาสิ่งที่จะเอามาเติมให้เต็มหายขาดแคลนบกพร่อง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 การแก้ปัญหาก็กลายเป็นการเพิ่มปัญหาการปลดเลื่องไถยทอนทุกขก็กลายเป็นการสะสมทุกข์ยิ่งพยายามดําเนินไปปัญหาหรือทุกขก็ยิ่งเพิ่มขึ้นกลายเป็นวงจรและเป็นวงจรที่ยิ่งหนายิ่งเข้มข้นยิ่งซับซ้อนขึ้นทุกทีเรียกโดยภาพพจน์ว่าเป็นบางวลแห่งปัญหาและการเวียนว่ายอยู่ในทุก สภาพเช่นนี้คือความเป็นไปแห่งกระบวนธรรมะแบบสังสารวัตรคือวังวนแห่งการเวียนว่ายอยู่ในทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในหลักปฏิจจสมุปบาทฝ่ายสมุททยาวาระหรืออนุโลมปฏิจจสมุปบาทแสดงให้เห็นว่าปัญหาหรือความทุกข์ของมนุษย์เกิดขึ้นตามกระบวนการแห่งเหตุและผลอย่างไร ถ้ามนุษย์อยู่กับความเป็นจริงรู้ข้อใจทุกตามสภาวะของมันไม่ซ่อนปัญหาไม่ปิดตาไม่หลอกตัวเองมีใจลงตัวกับทุกนั้นตามที่มันเป็นของมันได้นอกจากว่าเขาจะไม่มีปมซ้อนข้างในที่จะก่อปัญหาใหม่ที่จะขยายปัญหาเก่าแล้วปัญหาที่เขามีเป็นพื้นฐานนั้นก็จะพัฒนาขึ้นไปมาปลดปล่อยจิตใจของเขาให้เป็นอิสระแม้แต่จากทุก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 ความสุขที่สมบูรณ์ปลอดมลพิษมากขึ้นความสุขสัมพัส์ที่โปร่งโล่งมากขึ้นไปตามลำดับจนถึงความสุขที่ไร้ทุกแท้จริงผลทางแห่งความสุขเปิดกว้างเต็มที่ไม่มีกรอบกั้นหรือขีดขั้นที่จะจำกัดใดๆว่าโดยหลักพื้นฐานพระพุทธเจ้าเมื่อทรงแสดงปฏิจจสมุบาสมุทะยาวาระ อันเป็นที่มาของปัญหาหรือความทุกข์แล้วก็ไม่ได้ทรงหยุดอยู่เพียงนั้นแต่ได้ทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาระอันเป็นกระบวนธรรมะฝ่ายวิวัตรคือฝ่ายดับทุกข์หรือแก้ไขปัญหาต่อไปอีกด้วยเป็นการชี้ให้เห็นว่าทุกหรือปัญหาของมนุษย์เป็นสิ่งที่แก้ไขได้และทรงแสดงวิธีแก้ไขไว้ด้วย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 เช่นความสุขเป็นต้นที่มนุษย์สแสวงหากันอยู่ซึ่งเมื่อมนุษย์รับเอาคุณค่าและความหมายจากมันมันก็ทำให้ชีวิตของมนุษย์สูญเสียคุณค่าหมดความหมายไปด้วยเพราะมันเองไม่มีคุณค่าและความหมายที่จะเป็นหลักให้แก่ใครด้วยว่าตัวมันเองก็ขึ้นกับสิ่งอื่นต่อไปอย่างน้อยที่สุดมันก็ทำให้ความเป็นอิสระความเป็นไทยของมนุษย์หลุดออกไปอยู่ในกากับของมัน แม้ว่าในเบื้องต้นมนุษย์จะยังไม่สามารถเข้าถึงภาวะวิวัตนนี้ได้โดยสมบูรณ์แต่เมื่อเริ่มต้นดำเนินชีวิตตามวิถีทางแห่งการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนี้แล้วเมื่อสามารถตัดทอนกำลังของกระบวนธรรมะแห่งปฏิจจสมุปบาทสมุทัยวาระและเสริมกำลังกระบวนธรรมะตามแนวปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาระได้มากขึ้นเท่าใดก็จะสามารถแก้ไขปัญหาเหินห่างจากทุก และมีชีวิตที่ดีงามได้มากขึ้นเท่านั้นนอกจากนั้นยังจะทำให้สามารถสวยสุขแบบเสพโลกได้อย่างรู้เท่าทันไม่สยบไม่ตกเป็นทาสไม่ถูกกระแสะความพันผวนของมันทำร้ายเอาไม่เป็นเหตุก่อทุกข์หรือปัญหาทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นและยังจะช่วยให้มีชีวิตที่เกื้อกูลแก่กันในสังคมมากขึ้นตามลาดับอีกด้วย ในที่นี้จะแสดงแต่กระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาระพร้อมทั้งภาวะแห่งความดับทุกข์ภาวะพ้นปัญหาหรือไม่เกิดปัญหาเลยซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามโดยตรงกับกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทสมุทยาวาระพร้อมด้วยภาวะแห่งทุกข์ที่กล่าวมาแล้วเท่านั้นส่วนการประพฤติปฏิบัติและการดําเนินชีวิตที่เป็นวิธีแก้ปัญหาหรือผ่อนคลายทุกข์ในระหว่าง